บัดนี้จะแสดงธรรมะเพื่อเป็นอุปการะใ่การปฏิบัติกรรมฐานของท่านสาธุชนทั้งหลายสืบต่อไปได้พูดมาถึงเรื่องของอุปาทานคือสภาพของจิตที่มีความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งทั้งหลายจะกล่าวถึงสิ่งที่บุคคลเข้าไปยึดมั่นถือมั่นแล้วเมื่อสรุป ก็คือเรื่องของขันทั้งห้าประการนั่นเองซึ่งเป็นปัจจัยให้เกิดความทุกข์ในรูปแบบต่างๆเมื่อจำแนกแสดงสาวไปถึงต้นเหตุของความยิบมั่นถือมั่นพระเจ้าทรงชี้ไปที่ตัวกิเลสเฉพาะในที่นี้ก็จำแนกแสดงไว้เป็นสี่กลุ่มสี่กลุ่มด้วยกัน แต่การด็บแนบแสดงนั้นให้เข้าใจว่าแล้วแต่การจัดบางครั้งอาจจะจัดเพียงสามบางครั้งอาจจะจัดไปถึงสี่แต่การใช้ชื่อแตกต่างกันเป็นการกล่าวถึงสภาวะที่ปรากฏในขณะนั้นๆเื้ อ, อาการของสิ่งเหล่านั้นเป็นอย่างนั้นคล้ายๆกับการเคลื่อนไหวของคนยืนเดินนั่ง น, นอ น, น, อนกินดื่มทาพูดคิด อันแท้จริงก็คือคนคนนั้นนั่นเองแต่พูดถึงในช่วงยืนช่วงเดินช่วง น, นั่งช่วงนอนช่วงกินช่วงดื่มช่วงทำช่วงพูดช่วงคิดความเปลี่ยนแปลงของอเดียบทโดยเจตนาเป็นเหตุให้กระทรรมก็แตกต่างกันแต่เมื่อกล่าวโดยสรุปก็คืออาการของบุคคลคนนั้นอาการของกิเลสที่แสดงออกไปในลักษณะต่างๆก็เป็นเช่นเดียวกัน อุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นในข้อแรกที่เรียกว่าการมุปาทานคือถือมั่นด้วยอํานาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่คราวนี้มัมสังเกตว่าจะมีปัจจัยอยู่สองตัวตัวแรกก็คือสิ่งที่ตนใคร่ตัวที่สองก็คือความใคร่ตัวสิ่งที่ตนใคร่นั้นอยู่ภายนอก ได้แก่สิ่งที่เราเห็นด้วยตาได้ยินด้วยหูสูดดมด้วยจมูกริมด้วยลิ้นได้ถูกต้องโดยกายได้เก็บไว้ภายในใจแต่นี้การจะเก็บหรือไม่เก็บมันก็อยู่ที่จิตเรามีความใคร่หรือไม่มีความใคร่เพราะสิ่งทั้งหลายที่ผ่านไปในชีวิตประจําวันของเรานั้นมีมากเหลืเกิน แต่เราเก็บสิ่งเหล่านั้นไว้ภายในใจด้วยอํานาจความรักก็ดีความชังก็ดีมีอยู่จํานวนหนึ่งเท่านั้นไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดทำไมจึงไม่ได้เก็บไว้ทั้งหมดเพราะในขณะที่สัมผัสอารมณ์เหล่านั้นใจเราไม่ได้กําหนดว่าสิ่งนั้นน่าใคร่น่าปรารถนาน่าพอใจได้แล้วก็ผ่านเลยไปได้ฟังแล้วก็ผ่านเลยไปได้ลิ้มได้ชิมแล้วได้จับต้องแล้วก็ผ่านเลยไป ไม่ได้ตกค้างอยู่ภายในใจคนเพราะนัการศึกนึกถึงอารมณ์เหล่านั้นก็ไม่มีความตื่นนึกของเราจึงอยู่ที่สิ่งที่เราเก็บไว้เราไม่สามารถตื่นนึกเหนือประสบการณ์ที่เราเก็บไว้ไปได้ลักษณะของการมูปาทาน่าจึงกล่าวว่าความยึดมั่นด้วยอํานาจของความใคร่ในสิ่งที่ตนใคร่ แลวความยึดมั่นของคนจึงมีความแตกต่างกันในส่วนรายละเอียดแต่ถ้าเราโดยสรุปก็คือทุกอย่างที่บุคคลไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้ก็คือกลุ่มของการท่าแต่สิ่งที่เป็นรูปคือสิ่งที่ผ่านมาต่างๆหูจมูกลิ้นกายและสิ่งที่เป็นนามก็คือเวทนาตัญหาตัารวิญยาจซึ่งเรารู้ด้วยใจเพราะเมื่อลราวโดยสรุปธรรมะมันก็คืออยู่ในกลุ่มของการทั้งห้า แต่นั้นโดยปริยายหนึ่งพระเจ้าจึงทรงแสดงว่าเมื่อกราวโดยสรุปแล้วการที่จิตยึดมั่นถือบั่นในขันธ์ทั้ง5านั่นเองเป็นความทุกข์ทีนี้ความยึดมั่นถือมั่นที่เป็นแน่อุปาทานนั้นก็เกิดขึ้นจากการสะสมอยู่ภายในใจมากและเหตุผลสติปัญญาที่จะตัดสินวินิจฉัยในเรื่องนั้นๆก็จะลดน้อยลงไป ครนี้เราสังเกตว่าอะไรก็ตามที่เรายึดถือด้วยความเป็นของเราด้วยความใค ร, ille, ดครนน่ด้วยความปรารถนาด้วยความปัใจัมากเหตุผลสติปัญญาที่ใช้ไปในเรื่องนั้นๆจะน้อยอย่างเช่นสำนวนไทยที่พูดกันง่า ย, ายๆทั่วไปที่ใช้คำว่าหลงกายลืมแก่หลงเมียลืมแม่คือเป็นสภาพที่ปักใจลงไป และกำหนดหมายในแนวนั้นอยู่เรื่อยไปและในสุดก็จะขาดการมองในจุดที่มีเหตุมีผลจนกลายเป็นความลืม แ, ลแสดงว่ากิเลสนั้นในส่วนของกลางก็เกิดส่วนของหลงก็เกิดเพราะว่าเป็นกิเลสที่อิงอาศัยกันหมายความันทรักมากมันก็หลงมากหรือโกรธมากในจริงมันก็หลงมากเพราะความหลงเป็นรากงาของสัรพกิเลสทั้งหลาย นันตัวการใหญ่จริงๆ จ, งจึงไม่ค่อยอยู่ที่ข้างนอกแต่ว่าอยู่ที่ข้างในคือใจที่ไปยึดมั่นหรือมั่นเอาไว้อย่างนั้นบางครั้งที่ก่อให้เกิดปัญหามากคือการยึดมั่นหรือมั่นที่ไม่ยอมรับสภาพความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้นๆข้อนี้เป็นสังเกตว่าในแง่ของความเป็นจริงแล้วชีวิตเราประสบกับความเปลี่ยนแปลงอยู่ทุกขณะ เรยกว่าเกิดแก่ตายที่จริงในแต่ละวันในแต่ละขณะจิตก็มีเกิดแก่ตายมีความเปลี่ยนแปลงทั้งในส่วนส่วน ร, รูปแล้วก็ส่วนนามพึง เ, เห็นได้ว่าในความรู้สึกทึกคิดของเราเองก็มีความเปลี่ยนแปลงคือเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปในส่วน ร, รูปร่างกายที่หยับยาบต่างๆจิงเรื่องประดับประดาตกแต่ง มาเกิดขึ้นตั้งอยู่แล้วก็ดับไปเหมือนกันมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงอยู่เร่เรื่อยเราก็เห็นกันอยู่ถึงความเกิดดับเรานี่แต่พอบางอย่างใจที่ไปยึดมั่นถือมั่นเอาไว้อย่างหนึ่งเพราะสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปเป็นอีกอย่างหนึ่งพระธรรให้เราเกิดความทุกข์เพราะสิ่งที่เรายึดมั่นถือมั่นเปลี่ยนแปลงไปคนนี้จะมองในช่วงสั้นหรือช่วงยาวก็ได้ เจนกุเรายึดปั้นถือมันในสิ่งซึ่งสวยงามอาจจะเป็นวัตถุสิ่งของซึ่งไม่มีวิ ญ, ญาณอะไรก็ได้เราพอใจในความสวยงามของสิ่งเหล่านั้นแต่สิ่งเหล่านั้นแกก็เป็นอย่างที่แก่เป็นมาถึงคราวแกเปลี่ยนแปลงแกก็เปลี่ยนแปลงพอสิ่งเหล่านั้นเกิดเปลี่ยนแปลงไปใจเรายังไปยึดอยู่กับอดีตทั้งๆ ท, ที่สิ่งนั้นมาอยู่ในปัจจุบันแล้ว เราเกิดทุกข์กับความเปลี่ยนแปลงเดอกนั้นมีความเดือดร้อนเพราะความเปลี่ยนแปลงของสิ่งเหล่านั้นมาที่อาจจะถึงเศร้าโศกเสียใจความทุกข์ความเดือดร้อนใจไปด้วยอการต่างๆหรือแม้แต่ขันท่าต์ของเราเองให้เราสังเกตว่าใจที่มันติดอยู่กับอดีตคือยึดติดอยู่ในอดีตแล้วเกิดเดือดร้อนในปัจจุบัน แต่เรามีความหนักความความกำลัดความเพลิดเพลินยินดีอยู่ในสภาพชีวิตในอดีตที่ยังหนุ่มยังสาวยังสนุสนานรื่นเริงยังอยู่ท่ามกลางเพื่อนฝูงห้อมล้อมไปไหนมาไหนจะเคลื่อนไหวยังไงก็สะดวกสบายจนใจนั้นพอใจเพลิดเพลินยินดีอยู่ในสภาพเหล่านั้นพอมาเจอปัจจุบันกับปัจจุบันซึ่งที่จริงมันไอ้ที่ว่านั้นเป็นเรื่องอดีต แต่พอชีวิตเรามาอยุดในปัจจุบันก็ เ, เป็นไปในสำนวนบาลีที่ท่านใช้คำว่าแม้มือเท้าเราก็บังคับไม่ค่อยได้การเคลื่อนไหวต่างๆที่เคยสะดวกสบายไม่ได้เป็นไปอย่างที่เราเคยเป็นไปแต่เราก็เกิดชิงชังในปัจจุบันในทีสุดก็ปรารถนาในอดีต ซึ่งแต่ละอย่างนั้นเป็นการปฏิเสธความจริงทั้งสองอย่างคือการปรารถนาอดีตอดีตนั้นเกิดไปแล้วดับไปแล้วแล้วก็ตายไปแล้วเราปรารถนายังไงก็ไม่ย้อนคืนกลับมาได้ถ้าจะมาในรูปแบบเดิมก็เป็นเรื่องใหม่เป็นเหตุปัจจัยใหม่ปัจจุบันนั้นคือสิ่งที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าเราจะรับหรือไม่รับเขาเกิดแล้วเขาก็เปลี่ยนแปลงไปแต่ในจุดนี้เองถ้าเรายอมรับถึงความจริง มายความว่าการุปาทานคือความยึดมั่นถือมั่นเอาห น, น้านความใคร่ั่นเองแต่ว่าปรบับจใจยอมรับถึงสภาพที่กำลังเผชิญอยู่ในขณะนั้นๆ้นเช่ น, นแก่คนที่ยองแก่เป็นธรรมดาก็แก่แล้วพอเจ็บคนเราจะต้องเจ็บเป็นธรรมดาก็ได้เจ็บแล้วพอจะพลาดพรากความพลาดพรากก็เป็นธรรมดาเราก็พลาดพรากแล้ว หรือแม้แต่จะเราจะตายหรือคนอื่นจะตายญาติพี่น้องเราจะตายหรือสัตว์จะตายเราก็มีความรู้สึกเท่าทันตามความเป็นจริงที่ปรากฏในขณะนั้นว่าคนซึ่จะต้องตายเป็นธรรมดาก็ได้ตายแล้วนั้นคือใจอายอมรับความจริงในขณะนั้ น, น, นเราก็จะไม่ทุกข์ตามสิ่งที่ประสบอยู่ในขณะนั้นเอา ม, ามองดูอีกทีหนึ่งก็ได้เช่นสมมติว่าหนาวร้อนหิวกระหาย ซึ่งเป็นสิ่งที่เราจะต้องประสบในชีวิตประจำวันของเราปัญหาสาคัญว่าถ้ารู้เท่าทันตามความเป็นจริงแล้วเราแก้ไขได้ตอนนี้หนาวทํำยังไงตอนนี้ร้อนทํำยังไงตอนนี้หิวทํำยังไงตอนนี้ระหายนทำยังไงแล้วเราก็ปฏิบัติตัวได้อยู่ได้ไปเรื่อ ย, เ, อยเพราะคุณสมบัติเหล่านี้ที่จริงแล้วก็คือคุณสมบัติเดียวกับที่ใช้ในการเรียนรู้สภาวธรรมทั้งหลายที่ปรากฏในขณะนั้นๆ ซึ่งมีทั้งช่วงการเรียนรู้แบบทุกขสัจและช่วงการเรียนรู้แบบมรรคสัจช่วงการเรียนรู้แบบสมุทยัยสัจก็แล้วแต่จะหยิบจุดไหนขึ้นมาเรียนรู้เช่นสมมติเราเรียนรู้ในสายของทุกขสั์ก็คือการปรับใจให้ยอมรับตามกติธรรมดาที่ปรากฏในขณะนั้นนั้น ไม่ว่าจะเป็นแก่จะเป็นเจ็บเป็นการพลัดพรากเป็นการล้มตายเป็นความเสื่อมสลายเป็นความจำรุดสุดโสมเป็นความแปรผลันผมหงอกพันหักนังเหี่ยวอะไรต่างๆแล้วที่ปรากฏยอมรับว่าเป็นธรรมดาใจก็จะไม่เดือดร้อนด้วยอำนาจของกาพกปาาุป่าทานาะทำใม้อย่างนั้นแล้วใจจะวิ่งไปห า, าดิด เาจอแก่เราจะวิ่งไปหาอาดีตแต่เราอยู่ในปัจจุบันในสุดเราก็เดือดร้อนเพราะเราไม่ได้สิ่งที่เราอยากได้แต่เราไม่ยินดีในสิ่งที่เราได้ก็ไม่ต้องดูอื่นไกลเช่นแม้ในการรับประทานอาหารอาหารอยู่บนโต๊ะเป็นจำนวนมากหรือแม้จำนวนน้อยก็ตามเราไม่ยินดีในอาหารเหล่านั้นแต่เราคอยคว้าอาหารที่เราเคยกินมาในอดีต อาาเหล่านั้นได้กินหมดแล้วย่อยเป็นอะไรไปแล้วก็ไม่รู้สมมติราจะไปหากินใหม่ก็ต้องไปในที่อื่นตกลงว่าในขณะนั้นถูกความหิวเบียดเบียนคืออาหารที่วางบนโต๊ะก็ไม่ยอมกินอาหารที่อยากกินก็ยังมันอยู่อีกที่หนึ่งยังไม่ได้ไปและในขณะนั้นก็ถูกความอยู่เสียดแทงจึงไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรช่วงของชีวิตในช่วงนั้นจะเป็นกี่นาทีหรือกี่ชั่วโมงก็ตามเป็นช่วงที่ไม่ได้ประโยชน์ ซึ่งถ้าหากว่าปรับใจให้รู้เท่าทันตามความเป็นจริงเราก็ใช้ประโยชน์จากสิ่งเหล่านั้นเท่าที่ปรากฏในขณะนั้นที่พระเจ้าทรงใช้คำว่ายะถาสารุปรสันดนุลคือยินดีตามเหมาะตามควรหรือยินดีตามที่ได้มาในขณะนั้นๆตามที่ได้ตามที่มีตามที่เป็นในขณะนั้นๆใจมันก็ไม่ได้วิ่งไปสู่อดีตอนาคต เพราะตั้งสองอย่างถึงวิ่งไปยังไงเราก็ไม่สามารถจะได้ในขณะนั้นๆั้นอนาคตถ้าจะได้มันก็เป็นได้ในการอนาคตคือในการข้างหน้าที่เมื่ออนาคตก็กลับมาเป็นปัจจุบันซึ่งก็หมายความว่าชีวิตเราต้องอยู่ถึงวันนั้นด้วยถ้าชีวิตเราไม่อยู่ถึงวันนั้นความปรารถนาเราก็ไม่ได้เรื่อนการเรียนรู้ในแนวทุกขสัตย์ เ็จะช่วยให้บุคคลมีความตื่นตัวที่จะรับรู้ถึงความจริงแล้วใช้ประโยชน์จากความจริงที่ปรากฏเป็นการมองในลักษณะเตรียมพร้อมอย่างที่พระเจ้ญญาสอนพราหมณ์ผู้หนึ่งเอาไว้คือท่านแก่าชาราลงไปมากแล้วท่านก็ไม่ได้ทำความดีอะไรที่เป็นเด่นชัดก็รับสั่งเตือนให้มองปัจจุบัน ก็ดูก่อนพราหม์บัดนี้ท่านวัยของท่านแก่เงอมพระชรจาแล้วมองตัวไม่เห็นความแก่ง่อมพระชราแล้วประตูแห่งมัจจุคือประตูของความตายก็ใกล้เข้ามาแล้วแต่สเบียงคือกุศลคือกุศลที่จะเป็นเครื่องมือในการเดินทางของท่านนั้นยังไม่มีขอให้ท่านสร้างสเบียง คือกุศลเพื่อจะเป็นเกาะเป็นที่พึ่งพํานักของท่านในการภายพัคนะหมาความการเรียนรู้นั้นเรียนรู้ในปัจจุบันแต่นว่าปัจจุบันนั้นใกล้ตัวการแตกดับแล้วยันจานวนโบราณที่คนเฒ่าคนแก่ท่านพูดชีวิตฉันอยู่ไม่กี่ผืนผ้านุ่งแล้วนี่ก็แสดงว่ามีความตื่นตัว ว่าชีวิตเนี่ยมันก็ขาด ก, ก็จะต้องแตกดับเหมือนผ้าที่แตกดับไปทักอี่กี่ผืนก็ตามแต่ว่าชีวิตท่านนั้นอีกไม่กี่ผืนพานุ่งแล้วก็จะแตกดั บ, ก, บก็หมายความว่าช่วงการดารงอยู่นั้นสั้นแต่ทำให้เกิดการตื่นตัวที่จะตักตวงเอาผลประโยชน์จากชีวิตที่ใกล้ต่อการแตกดับลักษณะความคิดเหล่านี้มันก็เรื่อยไปจนถึงก็เป็นขณะิ ที่สอในบุคคลเหนียวจิตเหนียวตั้งจิตเหนียวนึกในสิ่งที่ดีงามก่อนที่จะดับจิตซึ่งก็หมายความว่าใช้ประโยชน์ในปัจจุบันที่ปรากฏซึ่งในี่จริงก็เป็นขณะแล้วก่อนจะดับจิตไปแล้วแต่ว่าทำอย่างไรจรึงจะรักษาคุณภาพจิตไว้ในช่วงขณะนั้นๆให้ได้ซึ่งใ น, นนี้ในที่สุดก็มากลายเป็นพวกของกรรมาฐานทั้งนั้น เป็นการพิจารณาพิณาปัจจุบนขณะอย่างที่ท่านทั้งหลายสวดกันอยู่เสมอหรือการมองผู้ร่างกายที่มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดถึงการมองซากศพเป็นต้นหรือมองขันทั้งห้าคือเป็นการศึกษาในแนวของทุกขสัจเพื่ออะไรเพื่อจะถ่ายถอนกามุ ป, ปาทานในสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นอย่างน้อยก็ให้เบาบางลง เบาบางลงไปจนใช้ปัญญาพิจารณาหาประโยชน์จากสิ่งที่สัมผัสในขณะ น, น, นั้นได้แต่การมองบางอย่างคือมองวัตถุภายนอกอันเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นถือมั่นในแง่ของสมทัยศก็จะก่อให้เกิดความสำนึกที่จะลดละความชั่วลงไปเพราะชีวิต ท, ที่ใกล้จะแตกดับ สิ่งที่จิตตัวเราไปจริงก็คือบุญและบาปนอกนั้นเป็นสิ่งจะต้องทิ้งไว้ในโลกปัญหาว่าจะเอาบุญหรือเอาบาปแต่ว่าสิ่งสองอย่างนี้ติดเราไปแน่แน่นอนคนก็ต้องคิดเอาบุญแต่ถ้าต้องการเอาบุญก็ต้องลดบาปบาปนั้นเกิดจากความรุนแรงของกิเลสก็ต้องลดความรุนแรงของกิเลสลงไปการกระทบบาปก็จะลดตามไป บบการทำบุญดำาุญศนก็จะเพิ่มขึ้นอันนี้มองในการมองแล้วก็เกิดลดละทําให้ไม่ประมาทบางครั้งก็อาจจะรีบเร่งในการมันเป็นเพียนอย่างโอจิงโอจังซึ่งก็ต้องเป็นการมองจากสายของมักกะสั์และการรีบเร่งประพฤติปฏิบัติโดยพุ่งไปที่ผลอันเป็นความดับเพลิงกิเลสและเพลิงทุกข์ ข้อนี้มันสังเกตว่าบางทีเรามองรวดไปเลยเป็นอาการเคลื่อนไหวของอริยสัจที่เป็นรูปธรรมเช่นที่เคยเล่าเรื่องพระพายาธุจิรยะซึ่งเป็นคนเรือแตกแล้วคนไปหลงว่าท่านเป็นพระหรันท่านก็นึกว่าท่านเป็นพระหรันโดยเลยยุ่งกันนงภาพเปลือกไม้ทำทีเป็นนัก บ, บวชเมื่ออนาคามีพร ม, มาเตือนให้ท่านทราบ ว่าท่านไม่เป็นพระหันและทางเป็นพระหรันท่านยังไม่รู้เลยพรางคนเป็นพระหรันจริ ง, รงๆก็คือพระหันตาสมาสัมพุทธเจ้าให้ท่านรีบไปเฝ้าก่อนที่ชีวิตจะแตกดับท่านประโยคเหล่านี้เราจะเห็นว่าความเป็นพระพุทธเจ้านั้นคือนิโรธสัตว์เป็นผลที่เป็นความสุขความสงบเป็นนิพพานเป็นเป้าหมายที่ท่านภายะธุจิระจะต้องไปเฝ้า เพื่อโดยเสด็จรออยู่คนบาตรไ ด, ได้แต่ในขณะเดียวกันเท่าก็เร่งเราก็เร่งให้ไปนะรีบไปก่อนชีวิตจะแตกดับแสดงว่าอายุนั้นสั้นนเราหานิมิตเครื่องกาหนดหมายไม่ได้อย่างที่เราพูดกันว่าเห็นอยู่ลั่งหลั่มันก็พลดัพลดพรากกันไปแล้วเราก็ทาให้ตื่นตัวว่าชีวิตนนสั้นชีวิตที่สั้นช่วงระยะเวลาเดินทางไกล จากท่าเมืองหนึ่งมาที่กรุงสาวัตถีเพราะงั้นท่านต้องใช้เวลาที่ไม่แน่ว่ามันจะดับตรงไหนทนั้ทงเดินบ้างวิ่งบ้างทั้งกลางคืนกลางวันพักเพียงครั้งเดียวเท่านั้นเองแล้วเมื่อมองฟ้าพระพุทธเจ้าเราเห็นได้ชัดว่าอาริยสัจนั้นได้เกิดขึ้นภายในจิตใจของท่านเช่น เมื่อท่านไปสอบถามพระภิกษุว่าพระพุทธเจ้าประทับอยู่ที่ไหนภิกษุก็บอกว่าเสด็จออกไปบิณฑบาตในกรุงสาวัตชีท่านรีบไปแทนที่จะรอเข้าเฝ้านั้นรีบไปซึ่งก็หมายความว่าท่านเข้าใจว่าชีวิตนั้นจะแตกต่างตรงไหนก็ไม่รู้เลยเมื่อไปถึงก็ขอให้พระเจ้าได้เทศสั่งสอนพระเจ้าเห็นว่าท่านยังมีปีติมากอยู่จะเทศสั่งสอนในช่วงนั้นไม่ได้จังมีบายวิธีได้รับสั่งว่าพระองค์กํบบาลังบินาบาตอยู่จะมาเทศตรงนี้ไม่ได้ ก็ขอให้กลับไปที่วัดก่อนคำพูดของท่านแสดงให้เห็นถึงการมองความเกิดดับปรากฏอยู่ข้างหน้าการแตกดับปรากฏอยู่ข้างหน้าที่ท่านบอกว่ า, าการจะรอไปฟังเทศที่วัดนั้นไม่แน่ชีวิตของพระองค์จะอยู่ถึงตรงนั้นหรือไม่หรือแม้นข้าพระองค์จะอยู่ถึงนั้นหรือไม่ก็ไม่รู้ควาเกี่ยวพันกับคนสองคน พระเจอาจจะนิพพานไปก่อนหรือท่านอาจจะนิพพานไปก่อนก็ได้ซึ่งหมายความว่าคได้ควายหนึ่งตายไปอีกควายหนึ่งก็ไม่ได้ประโยชน์โดเฉพาะท่านพายาธรุจิรญาเองนั่นคือลักษณะเป็นการมองในแง่ของทุกขสัตว์เป็นความเกิดดับที่กระชั้นเข้ามาตอนก่อนจะเด็กดับทําอย่างไรจึงคว้าในโรกสัตว์มาไว้ในมือให้ได้ ไว้ในใจให้ได้ก็ต้องอาศัยมรรคษัตว์ที่พระเจ้าจะทรงแสดงให้แต่พระเจ้าแสดงแล้วท่านก็สามารถดับสมุทยัยคือดับเหตุแห่งความทุกข์ไปได้และคือการเคลื่อนไหวทางใจที่ปรากฏออกมาเป็นรูปธรรมที่เราเห็นได้อย่างชัดเจนว่าการใช้ปัญญาพิจารณาสอดส่องในลักษณะนี้ก็บรรเทากามุ ป, ปาทานรือความยึดมั่นถือมั่นในสิ่งที่ตัวใคร่ และแม้กิเลสเป็นเหตุในคล้ายก็บันเทาลงไปมองเห็นว่าสิ่งต้องปวงนั้นไม่ควรจะยึดมั่นถือมั่นอะไรอย่านดังน้อยก็ในแนวใดแนวหนึ่งมากเกินไปเพราะสิ่งที่มันเปลี่ยนแปลงเรายึดถือ ย, ยึดยึดมั่นไม่ให้เปลี่ยนแปลงมาเป็นไปไม่ได้สิ่งเปลี่ยนแปลงถ้าเรายอมรับความเปลี่ยนแปลงมันจะเป็นยังไงก็ยอมรับตามที่ปรากฏในขณะนั้ น, น, น ความโปร่งเบาสบายความตื่นตัวการรงชีวิตอยู่ด้วยความไม่ประมาทก็จะเพิ่มพูนขึ้นภายในจิตใจของบุคคลนั้นแล้วก็จะช่วยเขาปรับวิธีชีวิตของเขาให้ใกล้ชิดกับพระพุทธเจ้ามากิ่งขึ้นแต่ในการมองในลักษณะนี้ตัวอุปาทานนั้นจะต้องจางลงไปแล้ว เป็นปฏิกิริยาที่ต่อเนื่องกันไยคือเราไม่จำเป็นที่จะต้องพูดถึงก็ได้จำนวนบาลีท่านเรียกว่าละไวในฐานที่เข้าใจรือบางทีท่านพูดตอนปลายกับตอนโคตรตอนกลางไม่พูดแต่จริงแล้วระหว่างปลายกับโคตรนั้นเขาเชื่อมต่อกับตรงกลางมันก็ผ่านกลางไปก่อนเพราะว่ากลางก็ถูกกระทบทั้งด้านบวกและด้านลบ คนก็ต้องเข้าใจเ อ, เองว่าตรงรางเองก็เปลี่ยนแปลงไม่จำเป็นจะต้องออามองพูดด้วยธรรมะปฏิบัติก็จะมีลักษณะเช่นเดียวกันเพราะในยะการถ่ายถอนอุปาทานคือความยึดมั่นโดยอานาจของความใครในสิ่งทั้งหลายนั้นบางทีเป็นการปรับเปลี่ยนตัวอุปาทานคือวัตถุที่เรายึดถือนั่นเอง แต่ว่าทํายังไงปรับเปลี่ยนนะมันมีคุณค่ามากกว่านั้นแต่คนเหล่านี้จะเอาขนาดมรรคผลนิพพานเขาคงจะทําไม่ได้แต่ว่าทํายังไงจะปรับเปลี่ยนได้เพราะฉะฉคําสอนในแนวทานนั้นท่านสาธุชนลองสังเกตว่าพวกทานบริจาคทั้งหลายเนี่ยพวกบริจาควัตถุสิ่งของทั้งหลายวัตถุสิ่งของเหล่านั้นเป็นวัตถุการมคือวัตถุเป็นที่น่าใคร่น่าปรารถนาะน้าพอใจแต่โดยสถานะของเขาเองก็เป็นทุกข์สัตย์ ถือเกิดขึ้นมาด้วยเหตุปัจจัยรักษาสภาพเดิมของตนไว้ไม่ได้มีความแปรปรวนมีความเปลี่ยนแปลงแล้วก็แตกสลายไปในที่สุดแต่ขณะนั้นสิ่งนั้นยังไม่แตกสลายอนาคตนั้นจะแตกสลายแต่แตกสลายด้วยเหตุใดนั้นไม่มีใครรู้ที่ได้นอนที่สุดคือแตกสลายนี่ทายังไงว่าเมื่อเขามาอยู่ในมือเราเนี่ยจะเพิ่มคุณค่าของสิ่งหลนั้น เพรวิธีการสอนแบบทานก็คือแปรสิ่งซึ่งไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปธรรมดาเร็วให้กลายเป็นสิ่งที่เป็นบุญเป็นกุศลซึ่งว่าที่จริงก็เป็นสังขารเหมือนกันแต่ความเปลี่ยนแปลงเขาเขามีช้ากว่าวัตถุสิ่งของนั้นแม้แก่จะไม่เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วจนถึงแตกดับแต่เราก็ต้องแตกดับก่อนแกในสุดเราก็ต้องทิ้งแกไว้ แต่บุญกุศลนั้นให้ผลทั้งในปัจจุบันให้ผลทั้งในภายภาคหน้าให้ผลในภพสุดๆไปแต่ถามว่าเป็นการมุปาทานอยู่ไหมมันก็เป็นนะครในชั้นที่ประนีก็ยังเป็นการมุปาทานแต่ก็ไม่มีความประนีกขึ้นเึ็นการทําบุญเพื่อปรารถนาสวรรค์ปรารถนาความสุขในทิพยวิมานต่างๆอันที่จริงตัวนั้นก็เป็นวัตถุการ พวกวิมานความเป็นเทพประบุษความเป็นเทพธิดาความสุขในสวงสวรรค์ที่จริงแล้วก็คือวัตถุกรรมแต่เมื่อเทียบกับวัตถุกรรมที่เราสละไปก็ได้วัตถุกรรมที่มีอายุยั่งยืนมากกว่าแล้วก็เป็นความคุ้มค่าหลการสอนในระดับโลกจึงจึงมุ่งในทางขัดเกลา แต่ไม่จําเป็นจะต้องไปพูดว่าเป็นการละอุปาทานแต่ด้านนั้นพูดโดยนัยยะหนึ่งคือพูดจากสายของมรรคตั์แต่การละอุปาทานนั้นพูดจากสายของสมุทยัยตัดทีนี้ผลที่เกิดขึ้นจากการละและการบำเพ็ญก็คือความเปลี่ยนแปลงภายในจิตใจคือกิเลสมันน้อยลงธรรมะมันเพิ่มมากขึ้นและสิ่งที่ติดตามเราไปทั้งสองอย่างดังกล่าว บาปก็คงจะมีแต่ตามไปน้อยบุญมีปริมาณเพิ่มขึ้นก็ตามไปมากหน่อยทำให้พบชาติของเรามีความประนีตมากยิ่งขึ้นยังอยู่ในวัฏฏะยังเป็นวัตถุกรรมยังเป็นการมอุปาทานจะยึดมั่นถือมั่นน้อยลงนั้นคือวิธีที่ปรับเปลี่ยนกันมาโดยลำดับไม่ได้ถึงกับถอนอุปาทาน ว่าถอนอุปท า, านได้นั้นไม่ใช่เรื่องธรรมดาอย่างการมุปาทานคนระดับพปานาคามีแต่นั้นจึงจะถอนได้พปานาคามีกับป้ า, ารหันตานั้นจะถอนได้เมื่อไม่สามารถถอนได้ก็ใช้ประโยชน์มันให้ยาวกว่า น, นั้นออทำมองคล้ายๆกับเราได้ต้นไม้มาสักต้นหนึ่งหรือกิ่งไม้มาสักกิ่งหนึ่งออจะเอากินจะเอากินหรือจะทําอะไรในที่นั้นก็ได้แต่เห็นว่าถ้าปลูกไว้เนี่ย มันจะได้ประโยชน์มากกว่าแล้วในสูดก็ปลูกไว้สิ่งเหล่านั้นคงจะต้องแตง่งแตกดับเป็นธรรมดานั่นเองแต่ว่าก่อนจะแตกดับเราก็ใช้ประโยชน์จากมันได้มากกว่าเพราะฉะนั้นคําสอนในระดับล่างระดับที่เกียรติทานระดับการสงเคราะห์การอบอ้อมอารีการให้ปันช่วยเหลือเจรจิญเก่บุคคลอื่นพึงสังเกตฮนะทายถอนกามุ ป, ปาทานลงไปในที่นั้นแต่ ก็ยังเป็นการมุปาทานอยู่นั่นเองเพียงแต่พระนีษขึ้นก็ํำนองคล้ายๆกับเรื่องโลกธรรมซึ่งเป็นบันไดจิตที่บุคคลผ่านการประพฤติปฏิบัติมาแล้วก็จะค่อยๆก้าวไปคือในชั้นแรกนั้นคนจะมุ่งไปที่ตัวลาบผลที่ตัวจะได้พอได้ลาบผลมากขึ้นก็สละผลประโยชน์เหล่านั้นตัดสเงินทองเหล่านั้นเพื่อยศ เพื่ความยิ่งใหญ่ของตัวเองเพื่อความมีบริวารเพื่อความมีตําแหน่งหน้าที่การงานเพื่อความมีอำนาจในด้นต่างๆติบัญทีนั้นาานะอาจจะสละยศเพื่อได้รับการยกย่องสรรเสริญบางทีอาจจะละสละทั้งลาบทั้งยศทั้งสรรเสริญเพื่อได้มาถึงความสุขเป็นต้นในจริงสุขนี้ก็เป็นกามาสุขอยู่เพียงแต่มีความประนีตขึ้นให้ผลแก่จิตใจเรามากกว่าเดิมเท่านั้นเอง ลักษณะการถ่ายถอนกิเลสจึงทรงแสดงไว้โดยประยายต่างๆแม้จะไม่รับสั่งไว้โดยตรงแต่โดยภาคของการประพฤติปฏิบัติแล้วก็เป็นการรู้สภาพความยอมรับสภาพความจริงของกลุ่มทุกขสัตว์มากขึ้นลดละเหตุแห่งความทุกข์ได้มากขึ้นลงมือประพฤติปฏิบัติส่วนที่เป็นกุศลเพิ่มขึ้นทาให้บุคคลมีความสุขความส ง, งบที่ เหยียดการยาออกไปเป็นวันเป็นหลายหลายวันเป็นเดือนเป็นหลายๆเดือนเป็นปีหรือว่าแต่ละช่วงแต่ละขณะนั้นมีช่วงที่รับความสุขมากกว่าความทุกข์แม้ความทุกข์จะเกิดขึ้นก็สามารถสลัดออกไปจะ ก, กิดได้ทันท่วงทีทำให้ชีวิตในแต่ละวันของบุคคลมีความสุขความสงบความรุนแรงของกิเลสก็บรรนท้บ่งลงไป ซึ่งจะเป็นไปได้มากน้อยแตกต่างกันตามพื้นฐานในอนดีตที่บุคคลสร้างสังสมเอาไว้และปัจจุบันที่เขาลงมือประพฤติกระทําต่อจากนี้ไปก็ขอให้ตั้งใจต้องความสงบสืบต่อไป